มิรินทปัญหาวักที่สามวักที่สามปัญหาที่หนึ่งถามมูลเหตุแห่งการทั้งสามพระเจ้ามิรินตัดถามว่าข้าแต่พระนาคเสนอะไรเป็นมูลแห่งการนานอันเป็นอดีตอนาคตปัจจุบันพระเทระตอบว่าขอถวายพระพร อวิชชาเป็นมูลแห่งกาลนานอันเป็นอดีตอนาคตปัจจุบันเพราะว่าอวิชชาเป็นปัจใจัยให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัจใจัยให้เกิดนามรูปนามรูปเป็นปัจใจัยให้เกิดสรายตนะสรายตนะเป็นปัจใจัยให้เกิดอุปทานอุปทานเป็นปัจใจัยให้เกิดพบ พบเป็นปัจจัยให้เกิดชาติชาติเป็นปัจจัยให้เกิดชรามรณะโศกปริเทวะทุกโทมณตอุปาญาตวงเล็บเปิดตั้งแต่อวิชามาถึงอุปาญาตรวมเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทวงเล็บปิดเป็นอันว่าความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้บุรินโกฏคือที่สุดเบื้องต้นแห่งการนานย่อมไม่ปรากฏพระผู้เป็นเจ้าแก้ไขถูกต้องดีแล้วปัญหาที่สองถามที่สุดเบื้องต้นแห่งสงสารคําที่พระผู้เป็นเจ้ากล่าวว่าบุรินโกฏไม่ปรากฏนั้นโยมยังสงสัยอยู่ อะไรเป็นปุริมกธการนานอันอันเป็นอดีตนั้นหรือเป็นปุริมโมกธมหาราชปุริมโมกฏนั่นแหละเป็นการนานอันเป็นอดีตข้าแต่พระนาคเสนเพราะเหตุไรปุริมโกธจึงไม่ปรากฏขอถวายพระพรปุริมมโกฏบางอย่างก็ปรากฏบางอย่างก็ไม่ปรากฏ ค่าแต่พระผู้เป็นเจ้าอย่างไหนปรากฏอย่างไหนไม่ปรากฏขอถวายพระพรสิ่งทั้งปวงที่ไม่เคยมีเบื้องต้นปรากฏเลยตั้งแต่ไหนแต่ไรมาอันนี้แหละเรียกว่าปุริมมโกฏคือที่สุดเบื้องต้นไม่ปรากฏอีกประการหนึ่งสิ่งที่ไม่เคยมีมามีขึ้นมีขึ้นแล้วกลับหายไปอันนี้แหละ เรียกว่าบุริมมกฏคือที่สุดเบื้องต้นปรากฏข้าแต่พระนาคเสนข้อที่ว่าที่สุดเบื้องต้นไม่ปรากฏนั้นจะเปรียบเหมือนด้วยสิ่งใดขออนิมนต์อุปมาอุปมาด้วยพืชขอถวายพระพร พืชเล็กๆที่อาศัยแผ่นดินแล้วเกิดมีใบมีดอกมีผลถึงซึ่งความเจริญงอกงามไพยบูรณ์ไปตามลำดับผลก็เกิดจากพืช น, นั้นลำดับนั้นต้นของพืช น, นั้นก็มีใบดอกผลถึงซึ่งความเจริญงอกงามไพยบูรณ์ไปตามลำดับที่สุดแห่งการสืบต่อแห่งพืช น, นี้มีอยู่หรือไม่ ไม่มีพระผู้เป็นเจ้าข้อนี้ก็ฉันนัอนแหละคือที่สุดเบื้องต้นแห่งการลนานไม่ปรากฏขอนิมนต์อุปมาให้ยิ่งขึ้นไปอุปมาด้วยแม่ไก่มหาราชะไข่ออกจากแม่ไก่แม่ไก่ออกมาจากไข่ไข่ก็ออกมาจากไก่อีก ที่สุดแห่งการสืบต่อแห่งไก่นี้มีอยู่หรือไม่ไม่มีพระผู้เป็นเจ้าข้อนี้ก็ฉันนั้นแหละมหาพิภพที่สุดเบื้องต้นแห่งการนานานไม่ปรากฏข อ, อนิมนุ์อุปมาให้ยิ่งขึ้นไปอีกอุปมาด้วยโกลงลดพระนเกเซนจึงขีดเป็นโกลงลดลงที่พื้นดินแล้วถามพระเจ้ามิลินว่า ที่สุดแห่งกลงรถนี้มีอยู่หรือไม่ไม่มีพระผู้เป็นเจ้าข้อนี้ก็ฉันนั้นแหละมหาบพิษสมเด็จพระธรรมสามิตรตัดไว้ว่ากงจากเหล่านี้ได้แก่จากขุโซตะานะชิวหากายมโนขอถวายพระพรจากขุวิญญาณย่อมเกิดเพราะอาศัยจากขุกับรูป เมื่อสิ่งทั้งสามนั้นรวมกันก็เป็นภัสดะพัสด ะ, ะเป็นปัใจจัยให้เกิดเวทนาเวทนาเป็นปัใจจัยให้เกิดตัณหาตัณหาเป็นปัใจจัยให้เกิดอุปาทานอุปาทานเป็นปัใจจัยให้เกิดกรรมจะขุ ก, ก็เกิดจากกรรมอีกที่สุดแห่งการสืบต่ออันนี้มีอยู่หรือไม่ไม่มีพระผู้เป็นเจ้า ขอถวายพระพรโสตวิญญาณคานะวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณมโนวิญญาณย่อมเกิดขึ้นเพราะอาศัยเสียงกับหูจมูกกับกลิ่นริ้นกับรสกายกับปวดทัพพระมโนกับธรรมะเมื่อสิ่งทั้งสามรวมกันเข้าก็เป็นพัสะ แล้วทำให้เกิดเวทนาตัณหาอุปาทานกรรมแล้วโสตขานะชิวหากายมโนก็เกิดจากกรรมนั้นอีกที่สุดแห่งการสืบต่อนี้มีอยู่หรือไม่ไม่มีพระผู้เป็นเจ้าข้อนี้ก็ฉันนั้นแหละมหาวพิตรคือที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏขอถวายพระพร ชอบแล้วพะนาคเสณดีกามิรินอธิบายคำว่าเขียนกงรถที่พื้นดินได้แก่เขียนกงรถลงบนได้แก่เขียนกงรลถลงไปที่พื้นดินเวียนรอบแล้วรอบเล่ารอบแล้วรอบเล่าแล้วจึงได้ถามปัญหาขึ้นอย่างนั้น